เสในเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานธรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปของบรรดาท่านผู้ตบบริษัทธทั้งหลายตั้งใจคําแนะนําในพระกรรมฐานสี่สิทธราะว่ามหาศรีประธานได้แนะนํามันแล้ว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 ธรรมานสติกรรมฐ า, น, า น, นสังขานุสติกรรมฐานทั้งสามประการถ้า ม, มีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็เชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในฐานะที่จะส่งความเป็นบสโสดาบันมี่สำหรับการเรินเรื่กรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก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 ก็เพื่อเย็ผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ได้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กำลังเข้มแข็งเสีจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจา้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจญาติใดใดก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเส็แล้ว <c oughs> นี่แล้วก็หวนไปดูคําสอนข อ, ององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุกมรุกผลความจริงตามประสูตร์ตา่ตางๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอ่บรรดาท่านภาษาดีบุตรก็ดีพระโมคคันลา น, นะก็ดีท่านสอนเฉพาะจุด <c oughs>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 อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโอโดยิให้ไปถึงสังโฆเพระตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตเป็นกระวลทำแบบส บ, สบายพุทธโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไว้เรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสีริยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุทธโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรร ม, มานุสติกรมฐาน นี่เป็นการคุมกําลังใจนะก็เพราะมันนาว่าัตโมเนือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขนาดใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโอก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขนาดนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ อันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติว่าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจไปสนสคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นเชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในรูปสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลนันหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่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 ที่การภาวนาว่าพุโทโธธรรโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมบูรค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กิดสับกันสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทำเมื่อสามารถควบคุมอารมณ์อย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงค์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา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 ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ถ้าท่านออกบวชทำไมกษัตริย์มีเงินทอง ม, มากมีอานาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติของพระอุร่องที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นพู้เลิศ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 บมดแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสนัแต่หลออเจ้ตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาว บ, บ้านเลี้ยงทันท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธประภูตเจ้านั้นทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจา้าการทรมานตัวตามแบบรามพระองค์ไม่ได้ดสดําเร็จมาขผลมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไถยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาแปลกามเสิญพรามถวาย วางไว้ที่ต้นภายตอนโคนต้นอัสฟิกภโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สมเจตุสมผลสมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่ทันเลือดละเนื้อชื้อจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตจินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะเพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กําลังใจขององค์สมเด็จพปิญญาสีในข้อ น, นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจําแล้วต้องปฏิบัติตามว่าจะ ท, ทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านั้นหลังจากนั้นมามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้มมาทรงรรลุอิเศษสัมมาสัมพธิาญาณได้มรรคผลแล้วองค์สมเด็จพระบัีฑิตแก้วเวลาจะเทศกดใครไม่ได้เคยคิดถึงขครงกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศบดเทศโปรดเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะนอบใจเข้าไปเคารพในท่านด้นรารการดี่สองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงท่านทรงสอนก็สอนเพื่อบําบัดทุกประโนสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขทั้งโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด สองเวลาความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่างสาทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามแต่การคือโลภะโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชัว่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้วยเป็นทุกข์ และทุกคนมีจตรลมแจ่มใสไม่มีรมขุนมัวไม่ตั้งท่าวี้ฆ่าเค่งข่าข็หากันทุกคนมีแต่น้าใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกแตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีของสมเด็จะสมมาสมุทัเจา้านี่สำหรับพระธรรมคำ ส, สอนคู่ใจเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมเนีย่ยที่เต็มบอกว่าจละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะ่ะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่ยอ อย่างย่อๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสิ like. สนหา้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงอย่าพิฆาตเคิงฆ่าสิงกันเลยกันจงอย่าทําร้ายสิงกันเลยกันจงมีจิตเมตตาปรานีมีความรักสิงกันเลยกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นสตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทําร้ายสิงกันเลยกัน ลองพิจารณาดูคําสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแยมแ้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเช่นแลกันแล้แลควคําสอนแบบนี้ดีหรือเขามไม่ชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทําร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, สอนและสอนระยะต้นเสีด้วย ข้อที่สองก็เธอทั้งหลายจงจะยืแยงทรัพย์สินเส่งกันเลยกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบทำก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือ ว, ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินที่ตนหามันได้หามันได้ทลาไยบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไม่ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักแตมีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือ ว, ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกว่ามีความทุกข์ไมอันดับที่สามอย่ายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารักต้อไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์้วท่านนั่นหลายจงอย่าพูดวาจาโมดเท็สมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคําหยาบเป็นเครื่องทําลายใจให้ไม่สบายจะสอเสียดยโยโย่ส่อเสริมไม่เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่ได้วาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานและมีก่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บคุคคลได้สดับไปวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ ก็สุดท้ายองค์สมเด็จไปจอมตายบกน้าเมาหน้าเธอกิงเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติสักทําลายทรัพย์สินร่างกายจะไปก่อปฏิโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ําเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้าเมาวันละกิบัติ ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องรายทำไรมันก็ยอมเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอดแล้วน้อยเล็นิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน เทโอสำเ็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหาความดีให้พบ ว, ว่าพระสงฆ์น่ะดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชอาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัิของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้พระประสง์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมหมดแต่เนื้อแทจ้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุขชนเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปูุ้ชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จปิจิณณสีรงปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบดีแก้สอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จปะจิณณวรวิทย์คำสอนประเพทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยอหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ไประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเคยย้ายเคกันไปแบ่งทางกันไปโอสปนสกุลนี้ไปทางนี้ผัวโน้นไปทางโน้นผัวนัวน่นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตารคำสั่ ง, องสอนพระองค์สมเด็จพระสงร์ท่านไปแจกจ่ายแกใใ่วันดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทาใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนมาแล้วท่านปฏิบัติ ด, ด้วยไ ด, ได้ผลดีก็นำอวตารคาสั่ ง, องสอนพระองค์สมเด็จพระจินนสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าพกลคนได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดเพงพระอริยสงฆ์นะพระอริยนะน่ะถ้าไม่มีไอโล ก, กีวิสัยที่ทําลายจิตใจข้าพกลคนให้มีความทุกข์ย้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจ้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงเข้าประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินคนดีเหมือนกันพระมีหน้าที่ระมัดทุกประนุสุขให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนำให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งลสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตะบนทีเดียวมาสบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยโดยให้ทีเยเอาหลวงพ่อก็ทานี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเลวก็ถามแทมทาสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช้เอาหลวงพ่อชั้นดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนทลาบหลวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ให้ดีไปนั่นเนี่ยเขาจะไม่ไตั้งราคาให้เขาจะให้ เ, ง, เงินให้ทองหรือเปล่าไมไ่ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาเจ้พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนาวําอาธํรมคำสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการ น, นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่มันดาในบริษัททุกท่านที่จะ เ, เจริญในอนุปสติทั้งสามด้การเพื่อทำได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ส่งตัวได้แต่ภาวนาพระพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ และ่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึ ก, กถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว พยายามไข้คนไปเดืวอ น, จนาจัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทําลายศรัทธาหาจุดให้พบจุดที่อย่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมแล้วพระพุทธเจ้าสําหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสำคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไตให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจของมันดาท่านางหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิมมีความเคารพด้ความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ช่อว่าท่านมั่นคงในตรสนาคมต่อสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปจัจจัยห้าสิบเปอร์เซ็นในผลที่ได้บรรลุประสดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทําจิตเข้าถึงอาดาตผลในเบื้องหนา้าอัลบันดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาโดยลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้